ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตคำคมจากหนังสือเรื่องภาสินิทั์จากผลงานประพันธ์ของพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชะเรียนธรรมก้าวราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามคำปรารพจากผู้ประพันธ์คำภาสิตในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักปราดไทยแต่ก่อนถึงปัจจุบันได้คิดใคร่ครวนดีแล้วเรียงร้อยเป็นรูปอักษรอันสละสลวยเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานมาช้านานแล้วที่รวมเป็นเล่มหนังสือโดยเฉพาะก็มีที่ฝากแฝงไว้ตามบทกวีนิพนธ์เรื่องต่างๆก็มีคำพาสิทธ์บางบททราบซึ่งประทับใจจนเป็นอมะตะจดจำนามาอ้างอิงถึงกันบ่อย ภาสิทิ์นิทั์เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่นำเสนอคำพาสิทธ์ในรูปแบบหนึ่งซึ่งมีทั้งความต่างและความเหมือนกับคำสุภาษิทธ์อื่นวัตถุประสงค์นอกจากเป็นเครื่องประดับวงการร้อยกรองส่วนหนึ่งแล้วยังต้องการนำสิ่งรอบๆตัวที่เป็นรูปประทัซึ่งสัมผัสได้ไม่ว่าคนสัตว์ธรรมชาติมาเป็นนิทั์คือตัวอย่างเปรียบเทียบ เพื่อหเห็นคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆทั้งนี้คิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นครูคนได้เป็นอย่างดีและให้แนวคิดสติปัญญาตลอดถึงเตือนใจได้ทุกอย่างคําภาสิทธ์ในหนังสือนี้จึงเป็นภาสิทธ์เปรียบเทียบทั้งหมดและเพื่อให้คําภาสิทธ์แต่ละบทมีสีสันน่าอ่านขึ้นจึงมีภาพสิ่งต่างๆที่เป็นตัวเปรียบให้ดู เป็นนิทั์หรือตัวอย่างไว้ด้วยซึ่งอาจช่วยให้เกิดจินตนาการได้อีกส่วนหนึ่งส่วนเนื้อหานั้นจะให้คติอะไรอย่างไรก็อยู่ที่ผู้อ่านซึ่งเป็นผู้รับโดยตรงจะพึงเห็นเองพระธรรมกิตติวงวัดราชโอรสารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานครยี่สิบธันวาคมพุทธศักราช2546 ลิงละครลิงสนโซนอยู่ในป่าประสาสัตว์จับมาหัดยังฝึกได้ดังใจหนาเกิดเป็นคนอยู่ในเมืองเรืองปัญญาแม้หากว่าฝึกไม่ได้หน้าอายลิงเล่ากินคนคนกินเหล้าเมาขมนอนจมปลักกินแล้วมักพล่ามเพื่อเก่งเหลือหลายคนกินเหล้าพออย่างประทางกาย หมดละอายดีสิ้นเล่ากินคนตานยืนตายคอหยกักหยักสักเป็นคนเขาหนหนึ่งแต่ไรซึ่งประโยชน์เห็นเป็นแก่นสารปล่อยชีวิตล่วงเลยไปไม่ได้การก็เหมือนตานยืนต้นตายเสียหายจริงคนสวะเขาก็มือเราก็มือคือกันหนอใหญ่ยยมัวท้อระท้จิตผิดจังหวะ อยู่ว่างเปล่าลอยไปมาร้าสาระเหมือนสวะที่ลอยน้ําเต็มลําคลองข่าซื่อสัตว์ถึงเป็นหมาก็เป็นหมาฆ่าซื่อสัตว์มีเคยกัดเจ้าของต้องเสียหายผิดกับคนใจคดกบดนา ย, ยอมแต่กายใจสู้มิรู้คุณแก่มะพร้าวมะพร้าวแก่แก่ดีมีประโยชน์ รสเอมโอดหวานมันอย่างขันไข่แกวิชายิ่งแก่ยิ่งแน่ไปไม่มีใครงกเงื่นแก่เกินเรียนไม้คู่ยากมีไม้เท้าใช้ยันหยุดการร่างคลาหาทางแกว่งกวัดไล่สัตว์หนีป้องกันตัวติดตนผลทวีดีกว่ามีลูกรันอกตันอยู่ผ้าเหลืองคลุมตอ ตัวเป็นพระทำอย่างพระประเสริฐสุดงามผ่องผุดหน้าเกื้อนหนุนบุญต่อเนื่องหากเละเทะพายับยุ่งไม่รุ่งเรืองเอาผ้าเหลืองมาคลุมต่อก็พอกัน้นามกุหลาบกุหลาบงามนามคมทิ่มจมเนื้อเจ็บปวดเหลือไม่นานนักก็จากหายคำพูดคนบาดจิตพิษมากว่าย ปวดจนตายถูกเน็บให้เจ็บใจตาบอดใจบอดถึงตาบอดไม่แยบพอแก้ไขเปลี่ยนตาใหมา่เรืองรองก็มองเห็นแต่ใจบอดมืดมากช่างยากเย็นที่จะเข็นเปลี่ยนให้เป็นใจงามเชือกไมตรีเอาเชือกผูกมัดคนจนแน่นหนาด้วยหวังว่าจักสยบไม่หลบหนี ก็ไม่แน่นเท่าปลูกผูกไมตรีมั่นคงดีกว่ารัดเชือกมัดเอื้โจรกำมลอห่มผ้าเหลืองไม่ดำรงทรงสีขามุ่งแต่หาลาบผลตั้งตนใหญ่รวงชาวบ้านขายธท ร, ร ม, มุ่งกำไรผิดตรงไหนกับโจรปล้นเขากินขาวไม่บริสุทธิ์นกยางขาวสวยกายแค่พายนอก แต่กลิ้งกรอกกินปลาหน้าบัดสีเปรียบคนสวยใจฉ od, โฉดโหดสิ้นดีเล่มากมีถึงสวยก็ป่วยการมาแต่ตัวเจ้าเด็กน้อยเกิดมากายาเปล่าพอโตเข้าความหมดลาบยศศักดิ์รัพย์สะสมยึดไว้ชื่นใจนักอะไรจากตามไปเมื่อตายลงแมวดือ้อเจ้าแมวเหมียวน่ารัก แต่มักดื้อยามเรายื้อยุดลงมันโกงหลังดึงขึ้นกลับแอนท้าว่าไม่ฟังแต่ก็ยังไม่ล้นคนดื้อเลยนกน้อยในกรงทองถึงอยู่ดีมีเรือนเหมือนวังใหญ่แต่หากไร้อิสระสุดจะเหงาทำพูดคิดไม่ได้อย่างใจเราผิดนกเขาในกรงตรงไหนกันทานน้ำใจ น้ำในบ่อในคลองในหนองสระถึงแม้จะเย็นซาบเมื่ออาบดื่มแม้น้ำตกเย็นใสจำไม่ลืมก็ไม่เปื้มเย็นช่ำเท่าน้ำใจเจดีชีวิตเจดีใหญ่แวววามงามผ่องผุดยังโทมสุดเศร้าหมองเป็นของแน่ถึงร่างเราทุกวันเปลี่ยนผันแปร ى, จะพ้นแก่เจ็บไข้เป็นไม่มี ภูเขาหินคำนินทาพาให้เข้าใจผิดใหญ่ยยมัวคิดสนใจไ ย, ยถือสาอย่ากังวลหวั่นลิ้นคนนินทาเหมือนภูผาไม่พรั่นวันแดดลมสร้างตึกสร้างคนอันตึกรามใหญ่โตร้หัวฐานสร้างไม่นานก็สำเร็จเสร็จทุกขนแต่สร้างยากนั่นหรือคือสร้างคน มิให้ผลทุกครั้งดุดตั้งใจท่อนไม้ที่ไร้ค่าเกิดเป็นคนแต่ไม่ใช้ความคิดไม่ทำกิจคิดการงานน้อยใหญ่กินอยู่เปล่าหมดค่าจะว่าไปเหมือนท่อนไม้ผูกเกลื่อนริมเถื่อนทางแว่นตาทมแว่นตาช่วยให้เห็นได้เด่นชัดช่วยขจัดพ้ามัวทรงตัวได้ ย่อมมัวมนเมื่อตลอดเมื่อบอดใจนอกจากใช้แว่นทรรมสวมนำทางสบู่แพ้เมื่อตัวเปื่อนเ ป, ปื่อไปเหงื่อครออกสบู่ฟอกขจัดสิ้นหมดกลิ่นเหม็นแต่ใจเปื่อนเปื่อมากฟอกยากเย็นเหลือลำเค็นสบู่ฟอกไม่ออกเลยจันงามเมื่อกายใจสงบเย็นอยู่เป็นสุข ธรรมะปลุกงามสงเงียมเปี่ยมใบหน้าดูสดชื่นเอิบอิ่มเย็นนิ่มตางามซึ่งกว่าดวงจันทร์ในวันเพ็ญแสงตะวันร้อนไฟโรดมีอะไรเทียบได้ติดดวงอาทิตย์ริดแรงแสงสะท้อนเผาทุกสิ่งลูกไม้เป็นไฟฟอนก็ไม่ร้อนแรงโรธเท่าโรดเลยถมบึง แม่บึงน้ำลำรางลึกกว้างใหญ่ยังเต็มได้ด้วยหินดินทรายถมแต่ใจยากลึกกว่าหลายอารมณ์ไรสุขสมเพราะใจถมไม่เต็มมีไวร้รายประโยชน์มีหนังสือเก็บไว้แต่ในตู้มีความรู้ไม่ใช้ให้คนเห็นมีเงินเก็บซ่อนไว้ใช้ไม่เป็นก็เหมือนเช่นมีก้อนหินสิ้นค่าคุณ ดอกไม้ในแจกันดอกไม้สีสุมกองไว้ดูไม่สวยคนเก่งช่วยใส่แจกันพลันหรูหราเหล่าคนที่มีวินยัยพิไลตาดูสวยกว่าพันดอกไม้ในแจกันนุ่นปลิวลมเมื่อหูเบาใจเบาเชื่อเขาหมดไม่รู้จดรู้จำทำว้าวุ่นหลงคำหวานไม่เห็นเป็นต้นทุน จะเหมือนนวลนปลิวลมอกตรมตรองไม้หลักปากเลนเป็นผู้ใหญ่ไม่คิดรับผิดชอบไม่รอบคอบใจหนักรักเหตุผลไม่ฟังหูไว้หูดูชอบคนก็ไม่พ้นเป็นหลักที่ปากเลนเจ้าหมูอ้วนคนเกียดคร้านงานน้อยทำหงอยเหงางานหนักเบาไม่สู้รู้แต่หมอน กินก็จุซึม ง, ง่วงห่วงแต่นอนต่างสุกรอ้วนผีที่ไหนกันหงปีกหักเป็นสตรีเมามัวหลงตัวผิดแต่งจริตกิริยาว่าสูงส่งหากพลาดท่าจากอายหายทนงเชกเช่นหงปีกหักตกปลาโครนชาติแม่ไก่ชาติแม่ไก่ได้อาหารเรียกขานลูก ใจพันผูกอ้าปีกป้องประคองขวัญเป็นแม่คนกลับทิ้งลูกไม่ผูกพันปล่อยลูกนั้นอยู่เดียวดายอายไก่จริงหุ่นสุขียามมีเรื่องวุ่นวายระคายหูตรึกตรองดูนิ่งไว้ได้สุขีทำตัวเหมือนหุ่นปั้นมั่นคงดีจะไม่มีเรื่องวุ่นให้ขุนใจต่อไม้ในคลองขด ต่อไม้กลางคลองคดหลายลดเลี้ยวพาเรือเอี้ยวหลบได้ไม่ยากหนาอันคนคดเล่พร้อยร้อยมายาหลบยากกว่าต่อไม้ในคดคลองปากหอยปากปูมีเงินทองพูดอะไรใครก็เชื่อหากขาดเนื้อขาดอำนาจวาสนาจากติดขัดคับคล้องใจไร้ายราคา ปากพูดจาเข้าข้าเห็นเป็นปากปูท่อนฟืนชีวิตถึงมั่งมีจนยากมากยศศักดิ์ไม่นานนักชีพก็ดับหันกลับหลังเหมือนกันหมดชีวิตนี้ไม่จีรังตายแล้วดังท่อนฟืนดาดดืนดงบ้านกายบ้านหลังงามใช้งานมานานนักไม่ช้าจักพังกระจุยเป็นผุยผง เรบร่างกายเสื่อมสุดหยุดไม่ลงไม่ช้าคงเหมือนบ้านแหลกลานไปริดไม่เรียวเด็กทำผิดลองให้อภัยเขาแล้วคอยเฝ้าแนะนำย้ำวิถีแทนข่มขู่วนเวียนดุเคี้ยนตีเด็กย่อมดีไม่ได้ด้วยไม่เรียวคนยาขมคำคนซื่อทวงทักมักบาดหู แม่ฟังดูตรงไปไม่อ่อนหวานแต่จักมีคุณค่าไปช้านานเชกเช่นทานยาขมขมโรคภัยเพชรเม็ดงามปราดแม่หลบตัวอยู่ตามภูผาคนก็หาจนพบศพสถานเชกเพชรดีตกน้ำจมลำทานคนก็ควานงมหาจนกว่าเจอคนทากปริง อาศัยเขาอย่าเขืองหรือเงื้องงอยงานใหญ่น้อยเป็นกังวลช่วยขนขวายเอาแต่เกาะกินอยู่นิ่งดูได้ทำตัวคล้ายท่าปริงคนชิงชังเป็ดพยองแม้เอาเป็ดขึ้นแทน่นขันแทนไก่เสียงเจ้าเพาะเพียงไรก็ไม่เหมือนถึงจะส่งเสียงจ้าฟ้าสะเทือนคนก็เบื่อนหน้าหยันเป็ดนั่นเอง ระครังปราดต้องตีก่อนระครังจึงดังเพราะเทียบได้เหมาะกับปราดชาติเหตุผลต้องไต่ถามจึงเอ่ยเผยยู่บนจับใจคนทั่วหน้าเมื่อพาทีร่มธรรมร้อนแสงแดดร่มกั้นพอกันได้แต่ร้อนไฟรักโกรธทษดมหันป้องด้วยร่มธรรมดาหาเทียมทัน เครื่องป้องกันที่สมคือร่มธรรมชาติคางคกเปรียบคนโง่อวดฉลาดชาติคางคกชอบพังงกหัวเบ่งทำเก่งกล้าเมื่อทาตแท้ถูกปอกเผยออกมาต้องไขหน้าอดสูอายผู้คนต้นไม้ไร้พวกต้นไม้ใหญ่สูงโลดอยู่โดดเดียวลมบนเคี้ยวพัดหมก็ล้มได้ ถึงสูงสักเชี่ยวชาญสักปานใดแต่พวกไม่มากพอก็โค่นเร็วเปลือกหอยด้อยค่าเศษเปลือกหอยด้อยค่านำมาแต่งประดิษฐ์แปลงให้ดีก็มีค่าลูกคนจนฝึกดีมีวิชาไม่น้อยหน้าใครๆในสังคมใสใหญ่ริมทางสร้างความดีเหนื่อยบ้างค่อยจางหาย แต่เครื่องหมายดีอย่างรินหลังผลปันประโยชน์ปันสุขเพื่อทุกคนเหมือนปลูกต้นไทรไว้ริมทางใส่ในดวงใจคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักมีคนรักหวนรำลึกเฝ้านึกถึงแม้ร่างสิ้นคนยังพร่ำหวนคำหนึง่งความดีซึ่งยังประทับอยู่กับใจเพชรร้าว เป็นผู้หญิงต้องรักซึ่งศักดิ์ศรีข้าจะมีก็ครั้งเมื่อยังสาวหากปล่อยตัวให้มีราคีขาวเหมือนเพชรร้าวหย่อนข้าไม่น่าเชยนกในรังน้อยทำกิจใดดูกำลังช่างให้แน่อย่าเอาแต่จะได้นักจากเสื่อมถอยเกินกำลังจะสิ้นท่านั่งตาลอยดูนกน้อยทำรังเห็นเป็นแนวทาง กิ้งกาได้ทองได้ดีแล้วอย่าปลื้มจนลืมหลังทำโอหังอวดโตโก้หรูหราลืมกำพืชดวงวานเคยผ่านมาเป็นกิ้งกาได้ทองลำพองตนกาในฝูงหงสู้ภาคเพียนจับกามาแต้มสีลวดลายดีปล่อยไปในฝูงหงแม้ท่วงท่าสีสันเหมือนบรรจง สำเนียงคงบ่งเล่าว่าเผ่ากาผีหลอกคนเมื่อผีหลอกมักรู้ทันว่านั่นผีคนหลอกมีหลายลีลาถ้าหลอกหลอนรู้ไม่ทันจักเจ็บช้ำเป็นตำบอนรีบผันผ่อนปลีกให้พ้นคนหลอกคนไฟร้อนรู้ว่าไฟก็อย่าต้องเป็นของร้อน คนแสนงอนชอบโกรธครึ่งพึ่งหลีกหนีอย่าตอแยอย่ายั่วย้าไม่เข้าทีโกรธเต็มที่เหมือนได้เชื้อจะเหลือแรงลินกับฟันลินกับฟันย่อมกระทบขบกันบ้างก็เป็นอย่างธรรมดาไม่ว่าไหนอยู่ด้วยการร้ายบ้างช่างประไรต้องทำใจอดกลั้นผ่อนสั้นยาวไม้ลูกดก ไม้ลูกดกนกเพียนแวะเวียนหายามลูกมาหมดสิ้นนกบินหนีเหมือนยามเฟื่องเงินทองพวกพ้องมีต่างหลีกลี้หลบหน้าคราอับจนว่าเหลืองลมว่าเล่นลมเหลืองลมก็สมนักถูกเชิดชักยักย้ายหลายสถานหูเบาเหลืองลมปากจะยากนานถูกลมหวานชักใหญ่ลอยไปมา นาทีมีค่าอย่าสนใจคำคนบ่นเสียดสีดีไม่ดีของเขาอย่าเร้าถามใส่ใจแต่งานเราเฝ้าติดตามทุกโมงยามผ่านไปต้องได้งานไก่บอกเวลาเมื่อโอกาสยามถึงไก่จึงขันคนเช่นกันดูไก่เอาไว้สอนจะพูดจาดูจังหวะแต่ละตอน เหมาะการก่อนปราัยไม่เสียการไข่ ใ, ในหินเกิดเป็นคนควรขยันมันทากิจปัญญาคิดมุ่งขจัดสิ่งขัดขวางเตรียมใจกายพร้อมบุกสู้ทุกทางไม่เปราะบางเหมือนไข่ย่อมได้ดีกระจกพิเศษตัวถูกผิดอย่างไรมักไม่รู้คนอื่นสู้เตือนสติดำริก่อน จงเห็นเป็นกระจกเงาอย่างเงางอนเขาสะท้อนให้เห็นตัวชั่วหรือดีศิลาจารึกมีความรู้กลัวหมดรีบจดไว้เมื่อนานไปประจักษ์เป็นหลักฐานคลาเลือเลือนลืมไปได้สอบทานเหมือนกับจานบนแท่นแผ่นศิลาปากตะไครชอบพูดมากหยุดยากยิ่งมากเรื่อง จะแค้นเคืองถูกด่าว่าปากเหม็นถึงพูดจริงเรื่องจริงยิ่งลำเค็นจะถูกเค็นเน็บฝากปากตะไคร่คนคางคบชาติคนดื้อเขาเปรียบอย่างชาติคางคกยางหัวตกจึงรู้สึกสํานึกเห็นหากไม่เจ็บก็ไม่จําทําหน้าเป็นต่อลำเคนน้ําตาพลูจึงรู้ตัวเทียนชีวิต เทียนส่องแสงหมดไส้ไฟก็ดับเมื่อเทียบกับชีวิตไม่ผิดผันมัจจุราชตามจี้ทุกวี่วันสิ้นเชื้อพลันก็ดับเหมือนกับเทียนขี้พึ่งลนไฟเป็นผู้นำใจหนักยึดหลักมั่นยึดติดธันกำกับนับเป็นหนึ่งหากใจอ่อนเอียงถลําตามแรงดึงเหมือนขี้พึ่งถูกไฟไม่เหมาะเลย น้ำตกน้ำใจทานน้ำตกไหลซ่านผ่านแก่งหินได้อาบกินชื่นอุราจะหาไหนทานน้ำตกหรือลำทานน้ำใจที่รินไหลเอื้อมาด้วยการุนมวยชีวิตบนสังเวียนมวยทั้งสองต้องเพียรสู้พิชิตคู่ศึกให้ได้คนไม่หยันถ้าหย่อนแย่จะโดนไล่ลงไม่ทัน หากเปรียบกันชีวิตจริงยิ่งกว่ามวยขวดเปล่าคนเปล่าชอบทำตัวว่างๆกลางถนนเที่ยวเตียจนชาชินสิ้นศักดิ์ศรีแม้ขวดเปล่าซื้อหาค่ายังมีคนเปล่านี่หมดท่าไร้ค่าตัวถุยอาพับโตแต่ตัวปัญญาน้อยด้อยความคิด ขาดพินิต ส, สำนึกไม่ฝึกฝนทำพูดคิดอะไรไม่แยบยน์มักถูกคนด่าเฉือนโง่เหมือนควายมัสยาหลงเหยื่อหลงคำคนยกยอคอยปอปั้นคงสักวันอกตรมล่มสลายเหมือนปลาหลงเหยื่อยอสื่อล่อตายผลสุดท้ายชีบม้วยด้วยยกยอ แจกันงามล้ำค่าแจกันดีสีสวยรวยคุณค่าหมดราคาเมื่อแตกแยกสลายเชกตัวคนค่าล้ำเกริ ก, กําจายแต่พอตายหมดค่าราคาตัวคนหลังยาวหลังคนนั้นมีไว้ให้สู้ฟ้าเพื่อสอหาทรัพย์สารโบราณสอน มิใช่มีไว้แผ่เอาแต่นอนจะถูกค่อนชิงชังว่าหลังยาวเข็มทิศบอกทางยามหลงผิดมุ่งทำเรื่องต่ำช้าใครเมตตาหวังดีชี้ถูกผิดพึงเชื่อฟังตึกเห็นเป็นเข็มทิศช่วยชีวิตพ้นภัยไม่หลงทางคนเรือรั่ว มีทรัพย์สินกินใช้ไม่ถนอมมือเติ์พร้อมจ่ายเล่นเช่นเจ้าสัวไม่ช้านานทรัพย์ลดจมหมดตัวเหมือนเรือรั่วจมน้ำกลางลำคลองขุมทรัพย์วิเศษอันทรัพย์สินนั้นซ้ายหาไม่ยากสู้ลำบากเล่าเรียนเพียรศึกษาย่อมประสบพบได้ในตำราจำเอามาฝึกทาเป็นร่ำรวย รถไร้ห้ามล้อมีความรู้มีพลังดุดช้างสารสติการขาดไปไม่แข็งขึงเหมือนรถขาดห้ามล้อห่อตะบึงย่อมไม่ถึงเป้าหมายที่ปลายทางเคลื่อนนินทาคําดินทาหลากล้นจากคนอื่นก็เหมือนเคลื่อนในทะเลพัดเหหันแรงแล้วอ่อนเช่นนี้ทุกวี่วัน ตามไม่ทันเดือดร้อนนอนกลุ้มใจเสียงนกเสียงกาอันเสียงนกเสียงกามีค่าอยู่ควรฟังหูไว้หูดูให้แน่ไม่แยกแยะรู้ทันจากผันแปร ى. เสียงเซงแซ่ดังไกลตรองให้ดีครูกําไรอยู่ได้กันกระทบกันนั่นไม่แปลก อย่าถึงแตกร้าวฉาดโกรธกันอยู่กำไลมือสองอันเชิงชั้นครูขอให้ดูเป็นแบบแยบคายดีครอบครัวไผ่ต้นไผ่น้อยค่อยแตกหนอ่อเป็นกอใหญ่สูงขึ้นไปเป็นปล้องปล้องมองเห็นทั่วแตกเรียวหนามไว้ป้องกันเผาพันตัวสร้างครอบครัวดูต้นไผ่ไว้เป็นครู ดาบปัญญาอันดาบดีรับไว้เก็บในฝักถึงคราวชักฟันฟาดขาดสะ บ, บัน้นอุปสรรคปัญหาสารพันปัญญาฟันราบคาบเหมือนดาบคมพัดให้ลมทั้งมือเท้าและสมองต้องเคลื่อนไหวจึงจะได้ศีลซับมาดาบเขียนเหมือนพัดลมเคลื่อนไหวได้ลมเย็น อย่าได้เป็นคนทื่อมือเท้าตายบัวขึ้นหิ่งเมธีชนถึงต้อยต่ำเผ่ากำเนิดก็ควรเชิดยกย่องให้ได้ยศถาเปรียบดอกบัวบนโต๊ะหมู่หิ่งบูชาที่เกิดมาจากโคลนตมพอสมกันปล่องระบายพิษปากคนพานมีไว้เพื่อใช้ดา่า ข่านนินทาว่าคนจนเสียหายเหมือนปล่องควันมีไว้ใช้ระบายพ่นพิษร้ายกระจายฟุ้งสู่ฝูงชนปลวกประสานทํางานใหญ่ต้องสัมพันธ์ประสานเสียงความพร้อมเพรียงเชื่อมหนุนนําสําเร็จได้เหมือนจอมปลวกพวกปลวกสร้างอย่างฉับไวใหญ่เท่าใหญ่ไม่เหลือบ่าสามัคคี พึ่งผู้ดีพึ่งตอมเคล้าดอกไม้หอมดอมรสหวานมีรูปรานกรีบกลิ่นสีช้ำที่ไหนไปบ้านเขาเอาอย่างพึ่งเขาพึงใจมิมีใครคิดรังเกียดเดียดฉันเลยห่างวอกห่างวาลิงล่ามโซ่ห่างมาแค่วาหนึ่งความไม่ถึงก็ปลอดภัยได้หันษา หากจะห่างคนพานเล่าขานมาต้องห่างกว่ายอดหนึ่งจึงปลอดภัยลบหนังสือเขียนหนังสือผิดไปลบไม่ยากลบลำบากนั่นหรือคือความผิดแม้ทำเพราะประมาทพลาดเพียงนิดก็ตามติดตัวไปไม่ลบเลือนป้ายจราจรคนขับรถเมื่อหยุดรถตามกฎได้ ย่อมปลอดภัยถึงปลายทางอย่างประสมคคนเราพลาดทำผิดไปไม่เจดจงหาคิดตรงหยุดทำได้ปลอดภัยเอ่ยมนุษย์แมงป่องคนรู้น้อยแต่คิดว่าข้านี่เก่งจึงเที่ยวเบ่งอวดฉลาดขาดฉเฉลียวเหมือนแมงป่องมีพิษอยู่นิดเดียวชูวหางเที่ยววางมาดประกาศตัว รวงข้าวรีบรวงข้าวรีบเมล็ดฝอไม่พอถ่วงจึงชูรวงโดดเดชีเวหุนเปรียบคนเขาไร้คุณอุดหนุนตนอ่อนน้อมคนนบไหว้ทำไม่เป็นอ่านหนังสืออ่านคนการอ่านคนอ่านยากลำบากหน่อยต้องค่อยๆ อ, อ่านไปจึงได้ผล เหมือนกับอ่านหนังสือฝึกปรือตนค่อยฝึกฝนอ่านไปรู้ได้จริงเสาหลักปากลึกอันเสาหลักผลักทุกวันยังสั่นไหวเป็นผู้ใหญ่ถึงใจหนักยึดหลักมั่นโดนลมปากเป่าเข้าหูอยู่ทุกวันอาจไหวหวั่นคล้อยตามไปเป็นได้เอ่ยสูงไม้ไม่ไร้ค่า อันท่อนสุงลอยฟ้องตามท้องน้ำลากมาทำประโยชน์ได้ส่วผลผู้ตกอับพลาดท่าถึงคลาจนหากมีคนเรียกใช้ก็ได้การคนกล้วยไม้กล้วยไม้เกาะต้นไม้ให้สีสันไม่แย่งปันอาหารบานสะพรั่งอยู่ที่ไหนทำให้งามตามกำลัง ทำตัวดังกล้วยไม้ได้เป็นดีภูเขาโดดเด่นอันคนดีทำประโยชน์ไว้โดดเด่นคนย่อมเห็นประจักษ์ซึ้งถึงไหนไหนเหมือนภูเขาสูงเด่นเห็นได้ไกลไม่ว่าใครรู้เห็นเป็นชื่นชมพระปิดทวานลองปิดตาปิดหูกันดูบ้างปากอีกอย่างปิดสนิท คิดแก้ไขทำเช่นพระปิตวานสำราญใจอยู่ที่ไหนสบสุขทุกเวลาจันเพนพ้นเมฆแม้เคยชั่วเคยผิดติดนิสัยหากทิ้งได้ชีวิตนี้พอมีหวังเหมือนจันเพนพ้นเมฆาที่มาบางังย่อม ง, งามปลังดีได้เมื่อายดี คนมแมลงวันเรื่องคาวคาวชั่วโฉดโหนระหำคนใฝ่ตำกลับชอบตอบสนองเปรียบได้กับมแมลงวันบ่งคันลองได้พบของเหม็นเหมนเป็นชอบใจคนมแมลงพึ่งรสหอมหวานมาแมลงพึ่งจึงแตะต้องไม่แวะข้องของเหม็นไม่เป็นผลคนดีหากยึดแบบอันแยบยน ประพฤติตนเหมือนพึ่งจึงดีจริงสะพานชีวิตสะพานมีสองข้างทางประสงค์ขึ้นและลงหัวท้ายผ่อนผายผันชีวิตเหมือนขึ้นสะพานไม่นานวันต้องลงกันทุกคนไม่พ้นเอ่ยต่อไปนี้เป็นโครงกระทู้เรื่อง คติชีวิตซึ่งแต่งโดยพระธรรมกิติวงศเปรียญธรรมเก้าราชบัณฑิตวัดราชโอรส า, ารามคำนำจากผู้แต่งโครงกระทูเป็นที่นิยมแต่งกันมาแต่โบราณโดยนำจำนวนคำไทยซึ่งเป็นคำพังเพยบ้างคำสุภาษิตบ้างมาเป็นกระทูหรือบทตั้งแล้วแต่งเนื้อความเติมให้เต็มตามรูปแบบแห่งโครง ความที่แต่งเติมเข้ามานั้นส่วนใหญ่เป็นคำอธิบายขยายความคำนั้นๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโครงกระทูนที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณคือโครงกระทูนสุภาษิตแต่อาจเพราะการเวลาล่วงเลยมานานแล้วภาษาที่ปลากฏจึงค่อนข้างจะเข้าใจยากสำหรับคนยุคใหม่ผู้มีความรู้ทางภาษาดีเท่านั้นจึงจะอ่านได้อัธรศ ส่วนผู้เริ่มศึกษามักจะเกิดความอึดอัดอยู่บ้างแต่ของท่านก็นับเป็นเลือดทางนี้อยู่ตลอดการและโครงกระทู้สุภาษิตส่วนใหญ่เน้นไปในทางขยายคำเพื่ออธิบายความมากกว่าจะขยายคำเพื่อเป็นคติคำสอนสำหรับโครงสุภาษิต ท, ที่ปรากฏในเล่มนี้ก็เรียนแบบของเดิมนั่นเองเป็นแต่มีวัตถุประสงค์ต่างออกไปบ้าง กล่าวคือต้องการให้คนรุ่นใหม่อ่านเข้าใจได้ง่ายจึงใช้ภาษาง่ายๆอันเป็นภาษาร่วมสมัยและเน้นเพื่อให้เป็นกติคำสอนมากกว่าที่บายความเพราะสำนวนไทยส่วนหนึ่งมีคุณค่าเป็นคติคำสอนอยู่ในตัวเองจึงได้ดึงคุณค่านั้นออกมาขยายความให้สมบูรณ์เป็นการเพิ่มอรรถรสแห่งโครงอีมิติหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้อันหนึง่งสำนวนคำไทยที่นำมาแต่งนั้นเลือกเฉพาะที่มีสี่คำและสามารถอธิบายเป็นคติธรรมได้เป็นพื้นซึ่งสำนวนคำไทยที่มีลักษณะเช่นนี้ยังมีอีกมากทั้งที่มีสามคำสี่คำห้าคำหรือเกินกว่านั้นที่นำมาแต่งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นขอยกความดีจากการนี้ให้แก่บุรพาจารย์ผู้คิดคนสำนวนไทยนั้นๆและผู้แต่งโครงกระทูสุภาษิตนั้นๆั้นไว้เป็นแบบอย่างให้ดำเนินตามคติชีวิตโครงกระทูสำนวนไทยเพื่อคนรุ่นใหม่นี้พิมพ์ขึ้นเพื่อมอบเป็นเครื่องปฏิการะแก่เพื่อนสหธรรมิกและญาติโยมผู้ไปทำวัด และถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2548นี้เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาขอขอบพระคุณและขอบใจทุกท่านที่ยังมีน้ำใจต่อกันหวังว่านังสือนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควรพระธรรมกิจติวงวัดราชโอรส า, ารามจอมทองกรุงเทพมหานคร สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสีสิบแปดสุจิปุลิสุสุตานิ่งเน้นฟังความจิจิตคิดตรองตามแจ่มได้ปุปุด ท, ทบทวนถามข้อติดขัดนาลิลิขิดจำจดไว้แน่แท้เมธีอ่อนนอกแข็งในอ่ อ, อน อ้อนขานเพราะพริงวาจานอกนิ่มนบวันทาทุกผู้แข็งเข้มจิตปัญญาคมเชี่ยวชาญแห่ในนึกแกงกล้าสู้แบบนี้ดีเหลืออยู่อย่างกาฝากอยู่เพียงหาประโยชน์ล้วนหลบภยัยอย่างมุ่งก่ออาศัยรอดพน้นกาฝากสิ่งบอกในเปรียบชัดแทนา ฝากแต่เรื่องเ็วล้นเร่งรู้ขจัดเสียจากอย่างเรือจอจากก็จากแบบสิ้นอาวร อ, อย่างหมดความอาทรถิ่นนั้นเรือจอดแบบเรือจอเปรียบกับคนแห่จอกลับอีกเร่งก้านอย่าได้คบหาอยู่ให้มีไฟอยู่ อย่างคนแกล่งสู้ชีวิตให้เกิดผลสมริจเร่งเรา้ามีไฟแห่งความคิดกล้าแกล่งนาพ่อไฟนั่นจักนำเข้าสู่ข้างทางประสงค์ไปให้มีเพื่อนไปสู่ปรโลกล้วนเดียวดายแน่เคยให้รีบหาเพื่อนตายมิดแท้มี พักมีเคลื่อนคลายตามติดไปนาเพื่อนนั่นคือบุญและเร่งสร้างสั่งสมอย่าสุขก่อนหามอย่าเร่งรัดจัดจ้านกลอนกามสุขแต่เล็กหรืองามปิดป้องก่อนวายริกรีตามกิเลสเสื่อมเฮยห้ามก่อนค่อยคิดข้องห่อนช้าสุขเกษมอย่าตามใจตัว อย่าเปรมปลื้มคลั่งคลายกามาณเคยตามที่ใจปรารถนาเร่งเรา้าใจอยากจักนำพาสู่หบเหวแห่ตัวจักเสียซึมเศร้าหมดสิ้นศักดิ์ศรีลดราวาศอกลดทิฐิมานะบ้างเบาสบายราเริด จ, จากผ่อนคลายบุ่มบ้าว่าเหลือศอกหดหายลงเรื่อยแลนา สอกสู่คืบไปช้าหมดสิ้นกินแหน่งฝากผีฝากไข่ฝากผีพ่อแม่ด้วยลูกเอ๋ยผีไม่ถูกละเลยชอบแล้วฝากไข่ยอย่าเฉยเมยยามป่วยไข่าสางด้วยลูกแก้วโอบเอื้ออาทรพลังปากเสียศิลพลังพูดพลอยพลอยลิ้นไประวัง ปากพร่อยอาจพาพังหมอดมวยเสียท่าถูกคิงชังหมดพวกสินทรัพย์อาจเสียด้วยถูกฟ้องหมิ่นเขาว่านอนสอนง่ายว่ากล่าวคุมสติตั้งฟังความนอนนั่งสุรงงิยงงามเรียบร้อยสอนสั่งประพฤติตามโดยชอบง่ายง่ายแต่แช่มช้อยส่งให้กเกษมสี ฝนท่างเป็นเข็มฝนท่างเหล็กแท่งด้วยความขยันท่างศึกเป็นเข็มอันเล็กจ้อยเป็นคนหากมุ่งสันสมบัติเข็มนั่นเป็นครูน้อยเสร็จด้วยความเพียรฟังหูไวห้หูฟังความเขาเล่าแจ้งขานไขหูหนึ่งฟังตามไปชอบแท้ไว้หูหนึ่งเพื่อไตรตรองเหตุนันน า, น า, นา หูไม่เบานั่นแลลวเหตุให้ยุติธรรมมือไวใจเร็วมือไวนั่นนี่คว้าฉวยเอาไวนักโทษหนักเบาจักต้องใจร้อนรีบเร่งเรามุ่งเสร็จเร็วนาเร็วนักจักขัดข้องผิดพลังพลาดหมายหูไวตาไวหูเป็นสื่อสดับตั้งฟังการ วัยว่องวิชาชาญรอบรู้ตาวัยย่อมพบพานหลากเรื่องรู้นา ว, วัยวิจักเป็นผู้เทียบชันทีระชนวัวหายล้อมคอกวัวหายจึงคิดล้อมคอกกันหายก่อนรือจักทันเหตุเศร้าพร้อมรอบคอบก่อนอันตรายเกิดดีแฮคอกจากป้องเหตุเข้าก่อร้ายวิบัติเสริม สองจิตสองใจสองคิดสองจิตจ้องไม่แน่นอนเหยจิตสับสนรวนแปรเลือกเฟ้นสองอย่างต่างดีแลยากเลือกใดนาใจขาดหลักหนักเน้นเรียกผู้โลเลมะนาวไม่มีน้ำมะนาวขาดน้ำหมดสิ้นราคาไม่น่าจะทัศนาหยาบกระด้าง มีคนชอบพูดจาแบบมะนาวเฮยน้ำหล่อเสียงเริดร้างสดับแล้วระขายหูใจซื่อมือสะอาดใจพิสุจิ์มุ่งเน้นสร้างงานซื่อสัตย์สุจริตการเปี่ยมลน้นมือปากไม่ระรานใครอื่นสะอาดปราศพิษพน้นเรียกได้คนดียาอืตามช้าง อย่าทำสิ่งซึ่งล้ำเกินพลังอืออย่างช้างจากพังเปรียบไว้ตามแรงหมันระวังยามกอบกิดนาช้างก็ช้างเถิดไซอาจสู้เคียงสมคนล้มอย่าข้ามคนเราอาจพลาดล้มหมดตัวล้มหมดแต่ไม่กลัวลุกสู้อย่าย่ออย่าชวนหัวดูถูกเขาเหย ข้ามมิได้อาจกู้กลับฟื้นคืนหลังหัวล้านได้หวีหัวเลี้ยนล้านแต่ได้หวีมาล้านเลี่ยนหรือปรีดาสิ่งได้ได้ของไม่ปรารถนาหมดประโยชน์หวีนั่นแลเปรียบไว้เล่นีขคมขำรู้มากยากดานรู้อะไรมากล้ำเลอคน มากเรื่องก่อกังวลวุ่นแท้ยากยุ่งเมื่อผ่อนปลนปลดทุกเพื่อนนานานนักหนักใจแป่ห่อนพนคนขอล่มหัวจมท้ายล่มก็ล่มทุกทนด้วยกันหัวเราะเสพสุขสรรสุขด้วยจมใจรักผูกพันเคียงคู่เสมอนาท้ายสุดอยู่ตราบมวยคู่แท้ใจถึง มึงมาพาโวยมึงกูหาหาเฮ้ยหยาบคายมาพบกันโวยวายลั่นบ้านพาคนอื่นเครื่องระคายรอนสุขเขานาโวยโวกเวกจัดจ้านอย่างนี้ดีหรือใช้ตาเป็นครูใช้ตาช่วยฉลาดรู้วิชาชานตาเพ่งพินิจการรอบข้าง เป็นจุดเกิดพุทธิยานแบบอย่างเห็นนาครูคู่นี้จักสร้างส่งให้เฉียบเฉลียวใช้หูเป็นอาจารย์ใช้หูก่อประโยชน์ขึ้นโดยฟังหูเงี้ยสดับอัดดังว่าไว้เป็นแหล่งเกิดขุมพลังฉลาดเรื่องหลากนาอาจารย์คู่นี้ส่งให้รอบรู้หลายสถาน มากหมอมากความมากหมอมากคิดรู้ทุกคนหมอพระหมอยาปนช่วยแก้มากเห็นมากต่างจนวายวุ่นหมดเหยความหนึ่งเดียวแท้แท้ยากสิ้นจบกระแสมือห่างตีนห่างมือไม้หยิบยกย้ายทำงานห่างสติระวังการพลาดพลัง้ง ตีนมือสะเพ้าผานบาดเจ็บเสมอนาห่างจากประโยชน์ทั้งยากขึ้นนายคนผีไม่มีสารผีไร้สารเร่ควางกลางหนนไม่ต่างผู้อับจนอนาถแท้มีก็แต่ข้างถนนเป็นแหล่งพักเคยสารพักยังยากแก้เหตุด้วยเวรกรรมสิ้นไรไม่ตอก สิ้นหมดแม้ตอกไม้บางบางไรญาติไรหนทางดุ่มหน้าไม้หนึ่งอาจเจือจางชุบช่วยได้แห่ตอกมั่นไว้คือกล้าต่อสู้สมหวังหาหาใส่หัวหาราวหาเรื่องร้อนบีทาตนเฮยเหาบ่อมีแสหาใส่ไว้ใส่ใจแต่มิดฉาบาปชั่วแลนา หัวปั่นคือโทษได้รุ่มร้อนภายหลังหมูไปไก่มาหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อเรามีไปแจกผูกไมตรีเพื่อนพ้องไก่แกงกับรสดีเขามอบตอบนามาเชื่อมมิตรจิตคล้องมั่นด้วยน้ำใจไว้เนื้อเชื่อใจไว้ใจได้นั่นแล้วสุดดี เนื้อเลือดร่างยอมพรีสัตตั้งเชื่อเถิดย่อมจักมีคนชอบใจแลใจชอบแล้วจักรั้างแต่งให้แทนตนดับไฟหัวลมดับไฟก่อนลุกไหม้ลามมาไฟเปรียบดังวาจาเรื่องร้ายหัวแรกรีบเร่งหาทางหยุดขยายเหย ลมปากลมโกรธย้ายหยุดยั้งดับเย็นหลงตัวลืมตายหลงเมาอำนาจทั้งยศถาตัวใหญ่ใครต้องมานบไหวลืมแก่เจ็บกายาบุญบาปเลยพ่อตายจ่อจึงคิดได้ค่อนข้างสายเกินหลงกายลืมแก่หลงสวยหลงหล่อปลื้มลืมตน กายแต่งอวดตาชนเลิดแ้วลืมไวและกายจนลืมแก่ไปนาแก่โพร้ า, าจิตเป้าซบเศร้าขวัญเสียตีงูหลังหักตีงูหลังหักแล้วปล่อยไปงูเช่นคนแหละายเปรียบรู้หลังเจ็บย่อมผูกใจอาคาตแค้นนาหากค่อยหายฮึดสู้มุ่งร้ายหมายขวัญ หวังน้ำบ่อหน้าหวังจากพบบ่อน้ำข้างหน้าเดินทางน้าสักบ่ออาจหาห่อนได้บ่อเปรียบสิ่งปรีดาหวังวาดไว้เหยหน้ามิอาจคาดให้ว่าได้รือศูนย์กลิ้งครบขึ้นเขากลิ้งครกตะเกียกขึ้นเขาชันครกหนักทุ่มแรงดันเสร็จซ้าย ขึ้นทางแห่งความฝันยากยิ่งกว่าแหเขาป่าน้ำบุกได้ห่อนท้อถึงฝันห ล, ลงเมียลืมแม่หลงเมียหลงสวาดซึ่งมัวเมาเมียหยอกยั่วพริงเราสเสน่พร้อยลืมแม่ปล่อยซึมเศร้าหงอยเงื่อแม่ร่ำตาละห้อยอย่างนี้ดีฉะไหนรักยาวให้บัน รักที่จะโรดเรืองใสสดยาวยืดอนาคตเจิดจ้าให้ละเลิกทั้งหมดอบายามุกนาพ่อบันฟุ้งเฟืยเชื่องช้าช่วงท้ายเศรษฐีรักสั้นให้ต่อรักจะอยู่แค่ได้ ห, ห้าเฮตสั้นนักคิดเสเพลกระตู้วูให้ต่อยาลังเลกินเที่ยวไปนา ต่อไม่นานจักรู้โหดสั้นชีวิตสยผีถึงป่าช้าผีตกถึงป่าช้าเร็วไวถึงก็เผากันไปรีบเข้าป่ากิเลสรุกใจเร่งรีบเผานาช้าอาจลามรุมเราเน่าฟุ้งเหม็นเฉาซื้อผ้าดูเนื้อซื้อผ้าควรพิษเนื้อก่อนนา ผ้านิ่มสมราคาค่อยซื้อดูคนก่อนควบหากินอยู่กันเฮยเนื้อแก่นนอกในอื้อสืบให้แจ้งเห็นดูนางดูแม่ดูสตรีเพียงรูปไซ่พ้ามัวนางอาจประพฤติตัวแหลกรันดูกระทั่งครอบครัวถึงแม่หล่อนนาแม่ประพฤติใดนั้นเครื่องชี้บุตรสาว ข้าเห็นแก่กินข้าทาตย่อมอยากลิ้มรสดีบ้างเหยเห็นช่องได้กินฟรีเปิดแปล่แก่หนุ่มหากเปลื่มปรีกินโปรดแลนากินดะตะกรามแท้เปรียบข้ากินของรักวัวให้ผูกรักวัวเชือกผูกไว้จงดีวัวบ่ออาจดิ้นหนีหลบเร้น ให้คนชอบปลื้มปรีมิหน่ายแหนงเฮยผูกมันด้วยเชือกเส้นหนึ่งนั้นนำใจรักลูกให้ตีรักลูกควรรักให้ถูกทางลูกผิดผีดปล่อยวางมืดตื้อให้ลงโทษเพื่อจางป้องผิดนาพ่อตีดูได้ต่อดื้อแต่ด้วยเหตุผลสี่ตีนรู้พลาด สี่ตีนสัตว์เช่นช้างอาชาตีนเปะปะก็พาพลาดพล้รู้อย่าอวดศักดาว่าเด่นเลยพ่อพลาดเพราะประมาทได้สติตั้งระวังตนปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยศัตรูหลุดพ้นหัดถาเสือถูกปล่อยสู่พนาเชกนั้นเข้าถิ่นย่อมอหังกาคิดก่อร้ายเหย ป่าเหมาะพลางตัวกัน้นจดจ้องโจมตีปิดทองหลังพระปิดตัวทำชอบด้วยวิริยะทองปิดอยู่หลังพระเปรียบไว้หลังรับไม่เกี่ยงจะเลี่ยงหลบเลยแฮพระพร่างเต็มองค์ได้เพราะผู้อยู่หลังตีตนก่อนไข่ตีความเองว่าร้ายจากมา ตนบ่อถูกบีทาดังถ้อยก่อนไข้สะสมยาไว้เพียบไข้บ่มีสักก้อยคู่นี้พอกันคับที่อยู่ได้คับที่แต่เพื่อนพ้องรอบกายที่แคบอาจไม่สบายอยู่บ้างอยู่แล้วไม่เดียวดายทนอยู่เถิดนาได้ช่องค่อยลาร้างเคลื่อนย้ายคลายฐาน คับใจอยู่ยากคับที่พออยู่ได้สำราญใจคับถูกรังควานอัดอัน่นอยู่กลางหมู่คนผ่านอยู่ยากแทนายากจะหาทางกัน้นเร่งย้ายโยกหนีต้นร้ายปลายดีต้นอาจพลาดผิดพลังเสเพรร้ายนักเรื่องเกเรเลื่อนร้อนปลายกลับหักมุมเหวประพฤติ ช, ชอบ ดีย่อมปิดทับซ้อนเรื่องร้ายหนหลังใจดีผีเข้าใจมุ่งแต่โอบเอื้อการุนดีก่อหวังก่อบุญบาปกั้นผีปอบย่อมหวังตุนรุมไตตอมเฮยเข้าชิดข อ, อนี่นั้นเล่พร้อยพึงระวังใจดีสู้เสือใจมิหวั่นวุ่นวายามครับขันเฮย ดียิ่งหากยิ้มรับร่วมสู้สู้ยิ้มเบิกบานกับนิ่งแน่อีกนาเสือก็เสือเถอะรู้พ่ายยิ้มพิมพ์ใจจุดใต้ตำต่อจุดใต้ว่าจากด้นเดินสบายใต้บอส่องตอตายสะดุดกลิ่งตำราบอดบรรยายอวดเฟื่องตอปราดฉลาดพริ้งโผค้านอายเขา เชื่อไม่ทิ้งแถวเชื่อหน่อกำเนิดพร้อมผู้ดีไม่ทอดทิ้งประเพณีเผ่าพ้องทิ้งห่างเรื่องราคีเสื่อมเกียรติแถวเทือกย่อมพลอยกล้องเกียรติฟุ้งขจรไกลทีเล่นทีจริงทีหนึ่งทาท่ายา้าหยอกเอินเล่นหลอกอำพรางเพลินเหลี่ยมพร้อย ที่จริงหมกทาเมินลองอย่างเชิงนาจริงเล่นดูท่าถ้อยพินิษท้วนความในศาสตร์น้ำรดกันศาสตรน้ำโครนตอบโต้ไปมาน้ำเปียกทั้งคู่พาเลอะลน้นรถราศาดวาจาเข้าใส่กันเหยกันและกันไปพลเปรอะเปื้อนเสียหายนำใจอย่างยาก น้ำในบ่อยอย่างรู้ง่ายได้ใจมนุษย์สุดบรรยายลึกล้ำอย่างยากเปลี่ยนกลับกลายอยู่ตลอดยากนักจากกลายกล่ำร่วงรู้ลึกถึงกวนน้ำให้คุณกวนน้ำนิ่งคุณฟุ้งอุปมาน้ำดังเรื่องเลือกลาสงบแล้วให้ฟื้นกลับโพรธนาคุยขุดใหม่เหย คุณคู่ขึ้นห่อนแคล้วคุณข้องหมองหมางปากหวานก้นเปรี้ยวปากคร่ำชมชื่นล้วนแต่ดีหวานหยดรถพธธัจีเพราะพรองก้นบึ้งกลับคิดตีด่าแช่งเปรี้ยวจัดกัดลึกร้องเร่งรู้เท่าทันทองไม่รู้ร้อนทองบ่รู้สึกร้อนไฟลน ไม่ต่างผู้ทำตนเฉื่อยช้ารู้สึกไม่กังวลเฉยแฉร้อนเร่งกลับล่าล้าแน่แท้ทองเทียมทำคุณบูชาโทษทำดีแต่ผิดขั้นผิดคนคุณค่าย่อมดานดนผิดด้วยบูชาเหล่าพานชนเหตุชอบใจนาโทษผิดอาจถึงม้วยหมดสิ้นรับสาร ชักศึกเข้าบ้านชักคนชักเรื่องร้ายมาอย่างบ้านเหยืศึกนอกนั่นระวังสื่อร้อนเข้ามาป่วนพาพังเดือดพล่านบ้านแตกทุกแทรกซ้อนจุงได้ยำเยงหน้าซื่อใจคดหน้าตาดูด่างร้ายเด็ดริดซื่อซื่อซ่อนจริตแต่งหน้าใจสิด่งงูพิษร้ายมุง่ง ขดข่มรอฉกคว้าแล่รู้เลอคุณถ้าดีทีเหลวถ้าทางดูเก่งกล้าเป็นการดีแน่จึงม้อ่านกิดให้ทีทำบ่อเป็นงานเงอะงเง้าเลยแห่เหลวเละคือผลได้ถ้าสิ้นหัวเสียบุญธรรมกรรมแต่งบุญธรรมบุญส่งขึ้นมงคล ทำบาปบาปบันดลสิ่งร้ายกรรมสองนั่นของตนตามแต่งชีบเฮยแต่งต่อเยืองยักย้ายศพร้ายหรือดีปั้นน้ำเป็นตัวปั้นเรื่องโกหกให้เห็นจริงน้ำหนักหลักฐานอิงเอ่ยชีเป็นหุ่นถูกเชิดสิงหากเชื่อเขานาตัวอย่างดูน้ำนี้ปรับปั้นได้หรือ น้ำลดต่อผุดน้ำอำนาจท่วมร้ายล้นหลามไว้เหยือลดเมื่อใดชั่วสามชีพฟื้นต่อไม้ย่อมผุดยามน้ำลดลงแหผุดโพรเห็นรบรื้นเปรียบให้เห็นสมไม้แก่ดัดยากไม้คตคิดดัดให้แยบยนแก่จัดกว่าศพผลยากแท้ ดัดยากเหล่าคดรคนเติบใหญ่ยากนักจากดัดแก้หากทิ้งนานเกินพ่อนสั้นผ่อนยาวพ่อนประนมนั่นแล้วแนวทางสั้นหรือยาวปรับวางขยับได้พ่นปรนแบบสายกลางหยุดเรื่องได้นายาวหยุดส่งผลให้เรื่องร้อนเย็ยนลงสิบเบี้ยกใกล้มือ สิบเบีย้ยแม้ค่าน้อยใกล้มือเบีย้ยนั่นย่อมควรถือหยิบใช้ใกล้มีอย่าฮึดหือยามยากมือหยิบฉวยใดได้รีบคว้ามาประทังหวานอมขมกลืนหวานชื่นหรือชอกช้ำปานใดอมนิ่งอยู่ในใจอย่าแพ้ขมก็อดทนไปยากตกต่ำเฮย กลืนก่อนค่อยคิดแก้ฮึดสู้ชาตาอาบเหงื่อต่างน้ำอาบเหงื่อไหลชุ่มเยิมกายีเหงื่อจากนำโชคดีสวัสดิ์ให้ต่างจากพวกคลุกครีสนุกเที่ยวน้ำจากออกตาได้เดือดร้อนภายหลังเห็นช้างเท่าหมูเห็นอย่างขาสติตั้งตรองดู ช้างคิดว่าเป็นหมูมืดหน้าเท่าสองเท่าโถมกลูลุยใส่หมูใช่หมูหมดบ้าบอบช้ำยำเยินกินปูนร้อนทองกินปูนอร่อยลิ้นตุกแกปูนออกฤทธิ์ผันแปรพล่านร้อนร้อนตัวเพราะมีแผลทำผิดไว้นาท้องปูนพิรุษซ้อน เปรียบไซตุกแก่คนดีผีคุ้มคนมีศีลสัตว์ตั้งเมตตาดีต่อทุกประชาโอบเอือ้อผีแลเทพสัมมาห่อนทอดทิ้งเหยคุ้มปกปัดภัยเกือ้อสวัสดิ์ให้ทุกสถานเข้าเมืองตาหลิวเข้าที่ใดจุงคล้อยทำตามเขาเหย เมืองป่ารือเขตคามคิดเกือ้อตาหลิวมิพึงหยามยอมหลิวเถิดนาหลิวกับหลิวชิดเชื้อง่ายแท้เบิกทางปลูกเรือนพอตัวปลูกเรือนมุ่งอยู่เลี้ยงครอบครัวเรือนเล็กใหญ่พอตัวถูกต้องพอเหมาะไม่มวนมัวทำกิจใ ด, ดานาตัวจักไม่คับข้องเครียดครึ่งขุนขวาง ไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจห่อนได้ทุกคนไปเหยเนื้อจิตอาจซ่อนกลคดข้อเชื่อได้แต่สุชนยึดสัตว์มั่นแห่ใจซื่อบ่อฉนช่อค่อยไว้วางใจตีนถีบปากกัดตีนมือบ่เกี่ยงเว้นงานเอาถีบทุบแบกหนักเบาบากสู้ ปากมีปรีผ่อนเพลิเพียนหมันกาดเก็บเหนื่อยหนักรู้เรียกผู้เอาพานควบคนดูหน้าครบคนตรองไตรให้จงดีคนชั่วหน้ากา ก, ากมีอ่อนน้อมดูพบเร่งเลี่ยงหนีหลบห่างไกลเหยหน้าซื่อใจซื่อพร้อมเชื่อได้คนดีเนื้อน้อยฝอยมาก เนื้อหาสาระถ้อยวาจาน้อยนิดเสริมปัญญาบ่าได้ฝอยฟุ้งพ่วงลีลาดูเด่นมากรถแต่อัดไร้แค่คุยเครียดคลายแกว่งเท้าหาเสียนแกว่งเท้าเล่นเลื่อนเปื้อนยาตราเท้าอาจตำเสียนพาเหลือร้อนหาเรื่องใช่เรื่องมาข้องเกี่ยว เสี่ยนหละนั่นอาจย้อนส่งให้ยุ่งเหยิงเกลียดตัวกินไข่เกลียดเขาแต่ชอบเบี้ยสมบัติเขานาตัวเกลียดกลับมิขัดหากให้กินไข่แต่บอกปัาดเยียแม่เปรียบเหยใไข่ชอบตัวช่างซ้ายชัดแท้หน้าหนาใส่ถ้อยร้อยความใส่สีสันคัดเค้นหาความ ถ้อยเท็ดกุประน้ำอร่อยลิ้นร้อยพันเรื่องเลวสามปะติดประต่อความถูกผิดทั้งสิ้นรับรู้หลีกเสียกินน้ำใต้ศอกกินน้ำหยดจากใต้ศอกมาน้ำนิดมิอาจพาอิ่มได้ใต้แบบอนุพัญญาเอมอิ่มได้หรือสอกเข่ากล้มก็ร้ายสิทธิขึ้นเทียมเขา ข้าวแดงแกงร้อนข้าวเคยรับชุกเลี้ยงจากใครแดงหน่อยก็เชื่อมใหญ่ชีบยางแกงกับสุดฝืนใจก็ช่วยรอดนาร้อนตกเตือนจิตตั้งคิดคล้อยแทนคุณคบเด็กสร้างบ้านคบเด็กช่วยกิดเกือ้อทำการเด็กย่อมเล่นเสียงานงาดเงือ้อ สร้างบ้านก็เนื่อนนานห่อนเสร็จดีเฮยบ้านเละงานรกเรือเด็กทิ้งมีถมตัดหางปล่อยวัดตัดขาดวิคิดข้องเอาผานอีกเฮยหางตัดปล่อยประจานไก่จนปล่อยวัดปัดรังควานดุดไก่กุดนาวัดว่าเป็นผู้ล้นหลากร้ายเหลือขอหูป่าตาเถื่อน หูฟังแต่เรื่องไร้ข่าวสารป่าทุ่งมุ่งเพลงการสดับดิ้นตามีบอบพบผ่านสิ่งเด่นดีเหยเทือนท่าเงาะเสืสิ้นถูกเย้ยเหยียดหยามหมาเห่าไม่กัดหมาเห่าเพียงบอกรู้เป็นตนเหาเก่งไม่กัดคนว่าไว้ไม่ต่างจากพวกชนชอบอวดเก่งนากัดติด แค่พูดให้เคลือบเคลิมคารมน้ำคุณไว้ในน้ำจิตเครื่องเครียดครึ่งหมองหมางคุณขัดในใจพรางเก็บกลั่นไว้ทีห่อนระคางยิ้มราในยุ่งนอกยิ้มนานเพิ่มชั้นราศีน้ำใสไว้นอกน้ำจิตเ อ, อิบอาบด้วยไมตรี ไส้แจ่มแย้มยิ้มมีเปี่ยมหน้าไว้เชิงพูดจาดีดูเด่นนาพ่อนอกสดในใสจ้าสเสน่ซึงตรึงใจเอาข้างเข้าถูเอาแต่ตะแบงแบบเข้าข้างตนข้างจะร้ายเหตุผลยกอ้างเข้าแบบพวกสัพดลดื้อแพ่งถูขัดด้วยสีข้างอย่าสู้เฉยเสีย คนเดียวหัวหายคนเดียวอย่าเที่ยวด้นจอนไกลเดียวโดดเป็นไรไปยากรู้หัวหมุนมิมีใครคอยช่วยเหลือเหยหายหมดตัวหัวผู้หากร้ายกลายถึงสองคนเพื่อนตายสองคนดีกว่าแท้บทจรคนร่วมย่อมอาทรกิดเอือ้อ เพื่อนมีรถอาวอนใจอุ่นตายเจ็บได้ช่วยเกื้อวิ่งเต้นแทนกันด้านได้อายอดด้านหนาคิดแต่ได้เป็นดีได้สิ่งยอมเสียสีสักหน้าอายแม้อดข่ามีมากยิ่งกว่าแหอดแต่อิ่มจิตเจ้าอย่าคล้อยคนหยามตกนรกทั้งเป็น ตกทิ่นที่ทุกทนทรมานนรกร้ายเปรียบปานยากป้องทั้งสุดจะทนทานสาหัสนักพ่อเป็นเพราะผลกรรมต้องเฉียดใกล้าวายปรานหาเลือดกับปูหาประโยชน์รีดเข้นคนจนเลือดซิบยังเวียนวนแคคายกับรีดเลือดปูยนมิต่างกันเหย ปูบ่มีเลือดให้โหดแท้หนอคนเสียน้อยเสียยากเสียอยู่แต่ปล่อยด้วยเสียดายน้อยนิดมิยอมคลายจ่ายฟื้นเสียนั่นย่อมบานปลายมากเรื่องยากแต่แรกอาจสะอื้นสุดท้ายจ่ายแพงหวานนอกขมในหวานซึ่งท่วงท่าทั้งพาที นอกอวดดังใจดีเสกแซงขมเข้มคิดเบียนบีซ่อนสุกในเหยในเน่านอกนิ่มแยง้งอย่าได้เชื่อถือผักชีโรยหน้าผักชีโรยฉาบหน้าอาหารดูดีชีผักเปรียบเนื้องานเล็กน้อยโรยหน้าหลอกสารฐานกลบเรื่องเละนาหน้าเรื่นทุก ผู้คล้อยเครื่องชี้สัจธรรมยกตนข่มท่านยกแต้มมาเอือยอ้างอวดตัวตนอยู่เหนือนั่งหัวมาดโก้ข่มผู้อื่นเกรงกลัวราบคาบไปเฮยท่านกล่าวใครเชื่อโม้ถูกทึงเสียทียกยอปอปัน้นยกก็ขึ้นจิตน้อมสนองงาน ยอก็หยุดไปพานเรียบร้อยพอปั้นย่อมได้การคนเช่นนี้เฮยปั้นเสร็จผลออกพรอยนั่งยิ้มอิ่มสวงตบหัวรูปหลังตบตีดูด่าด้วยโมหาแม่เหยหัวคิดหวนกลับมาผิดแล้วรูปหลังไหลพันนาประโลมปลอบหลังจะผันจิตแพ้วเชื่อถ้อยควรตรอง เอาปูนหมายหัวเอาแต่ทำเรื่องร้ายราคีปูนหมากกาลงสีบอกใบ้หมายว่าย่อมเอาดีข้างยากหัวคิดมีไม่ใช้ห่อนพ้นคนยมล่วงคองูเหา่าลวงลำอำนาจลน้นนักเลงคอขาดก็มีเกรงกาดกล้างูเห่าห่อนยำเยงลวงล่วงคอเฮย เ่าฟ่อสอบินบ้าตรึกท่วนคิดทำเงียบเป็นเป่าสากเงียบปากด้วยไม่รู้หรือกลัวเป็นเรื่องชวนปวดหัวใช่แล้วเป่าสากงุ่งดังรัวสมมุ่งรือแลสากมิใช่ปีแก้วจักได้ส่งเสียงเห็นชายผ้าเหลืองเห็นบุรใต้ร่มผ้ากาสาชายพัดปลิวชื่นตานักแล้ว ผ้าเหลืองจับปรีดาเอมอิ่มใจเฮยเหลืองรอดหุ้มบุตรแก้ววาดไว้สมหวังน้ำร้อนปลาเป็นน้ำคำดุด่ากล้องกึงกลางร้อนสดชักชิงชังหลบดิ้นปลาเปรียบดังคนฟังห่อนชอบใจนาเป็นอยู่ไหวหนีสิน้นสดร้อนสุขชะไหนน้ำเย็นปลาตาย น้ำคำหวานเพราะพริ้งฟังดีเย็นโสดเชื่อมไมตรีชอบแท้ปลาชอบอยู่วารีเย็นชื่นเปรียบเฮยตายสนิทจิตอยู่แล้วหอนลีไปไหนเคราะหามยามรา้ายเคราะคือบาปติดต้อยตามตนหามทรงอัปมงคลคับข้องยามเคราะหจับด่านดนเป็นนั่นนี่เหย ร้ายหมดยามเคราะต้องจุงได้เกรงขามไยร้อนนอนเย็นไฟใจกอบกิดเกื้อกรรมงานร้อนก่อนหากทนทานห่อนทิ้งนอนใจบ่เนิ่นนานสบโชคแน่เฮยเย็นชื่นผลพวงพริ้งส่งให้สุขสันหายหกตกหลน่นหายหดทุนกับทั้งกำไร หกเรี่ยห่อนใส่ใจปล่อยทิ้งตกแตกอยู่ร่ำไปเหตุมักง่ายเฮยโลนวูบกิจการกลิ่งยากเรื่องจำเริญนนายว่าข้าพลอยนายว่าดีเหล่าข้าว่าดีตามเฮยว่าชั่วชั่วผสมมีประจบเจ้าข้านั่นแหละกาลีระวังเถิดพลอยเชื่อจากยุคเข้า ก็ร้ายใจเหลืองกล้านักมักบินกล้าทำกล้าบุกสู้เกินไปนักปราดว่าเป็นฝ่บินบ้ามักศพเจ็บกายใจเยินยับง่ายเฮยบินง่ายมีดคมกล้าเปรียบได้ตรองดูสิทธิคิดล้างครูสิทธิลืมครูซึ่งให้วิชาคิดหลูภูมิปัญญาตอกยำ้ำ ลางลบมุ่งอาจยาใส่โทษครูท่านพระขุณลำ้ำคิดล้างเนรคุณใจเร็วด่วนได้ใจร้อนหวังแต่ได้ผลงานเร็วเร่งจนเสียการพินิจท่วนด่วนเสร็จแต่เผาผลาญบกพล่องได้บอกคุ้มเสียล้วนศบร้อนภายหลังเกิดแก่เจ็บตาย เกิดร่างเติบใหญ่ขึ้นเป็นคนแก่เรื่อยทั่วสกลห่อนยังเจ็บปวดป่วยเวียนวนเบาหนักแน่เหยตายดับเป็นหมดครั้งแค่นี้สังขารอดเปรี้ยวกินหวานอดใจรอก่อนให้ถึงการเปรี้ยวดิบอย่าเพื่องทานลูกไม้กินเปรี้ยวอดรสหวานเอมอด หวานชื่นรอสุกได้เลือกข้อไหนควรน้ำขึ้นรีบตักน้ำขึ้นรีบตักไว้ยารีรอเฮยขึ้นบ่กี่นาทีลดแล้วรีบทากิจยามมีโอกาสนาพ่อตักประโยชน์ตนแพ้วก่อนพ้นการสมัยตายแต่ไม่ตายตายก็เพียงร่างสิ้นลมปราณ แต่หากฝากผลงานเด่นไว้ไม่ตายอย่างสังขาร น, นาพ่อตายแต่ตัวชื่อไซโลกรู้ลืมฉะไหนต่อปากต่อคำต่อความยาวถกถ้อยเถียงกันปากยั่วยุดึงดันเล่นลิ้นต่อเหตุต่อผลยันพิสูจน์เรื่องคำพูดห่อนจบสิ้นเรื่องร้อนลามไหล ตัดญาติขาดมิตรตัดอะไรสุดสิ้นสัมพันธ์ญาติมิตรมีสำคัญขุ่นค้างขาดสื่อเชื่อมใจกันทุกโทษมิตรภาพย่อมโรยร้างสื่อนั้นน้ำใจลื่นเป็นปลาไหลลื่นจนยากจับได้ไล่ทันเป็นแหล่งเล่กลนผันหมื่นอ้าง ปาลาไหลยากจับมันมีเปรียบไว้เหยไหลลื่นนักมักควางขาดผู้คบหาก่อร่างสร้างตัวก่อกิจเพื่อก่อสร้างหลักฐานร่างทุ่มสู้กลำงานถูกแท้สร้างแบบค่อยเป็นปานสร้างก่อบ้านเหยตัวหลักมั่นคงและเสร็จแล้วสุขสมเป็นหุ่นให้เชิด เป็นผู้นำหากไกรปัญญาหุ่นเชิดเปรียบกันมาตลกดินให้เขาเชิดชักพาตามหมดพ่อเหยเชิดเล่นได้สง่าลิ้นถูกเยยหยามหยันวัวไม่มีหลักวัวขาดหลักชุบเลี้ยงดูแลไม่พบสุขทุกแปรเดี่ยวดนมีชีพถูกลอยแผลหมดพึ่งนาพ่อ หลักขาดย่อมทุกทนเปรียบไว้เหมือนวัวตัวใครตัวมันตัวทุกผู้ต่างเน้นช่วยตนใครอื่นแม้อับจนห่อนเกือ้อตัวต่างทุ่มดิ้นรนเพื่อรอดตัวนามันจึงขาดความเอือ้อแคบแท้ใจคนอมพระมาพูดอมพระพูดบุ่งให้เชื่อคำ พระเครื่องอาจครอบงำจิตได้มาอ้างเหตุผลนำยังไม่เชื่อเฮยพูดขาดคนเชื่อไซส่อเข้าลมเหลวเสียกรรมได้กอบเสียเป็นทุนอย่าได้เสียดายกรรมหนึ่งย่อมละลายเริ่มต้นได้คืนกลับมากมายห่อนหมดเลยนาะกอบหนึ่งกรรมไรล้นหลักนี้ค้าขาย ยามพีเนื้อหอมยามเฟื่องสิทรัซั์พร้อมวาดสนาพีล่าผู้คนมานบไหวเนื้อซั์นั่นแหละภามีพวกพ่อเฮยอพร้อมกรุนตราบเอื้อได้ซัพ์สิ้นหายหัวยามผอมเนื้อเหม็นยามหมดซัพ์สักสิ้นเคยมีพร้อมพายเปรตอ้วนหนีหน่ายหน้า เนื้อตัวห่อนใหญ่ดีถามไทยเม้นเบื่อใครห่อนกล้าอยู่ใกล้กลัวขอคู่สร้างคู่สมคู่ครองที่จิตเอื้ออวยกันสร้างกุศลสารพันร่วมด้วยคู่จักอยู่นิรันห่อนพรากกันเฮยสมรักมั่นตราบม้วยสุดเส้นสังขาร